การนมัสการพระสงฆ์ทุกรูปพระครูเจ้าทุกท่านแล้วก็ขอเจริญในสุขในธรรมญาติโยมผู้เป็นลูกหลานญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายของท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้เมตตามาเป็นเกียรติเป็นกําลังใจของท่านเจ้าภาพทั้งหลายโดยที่เราทั้งหลายได้ปรับเหตุถึงคุณพ่อสุทินพี่พัฒ พลลุพิพัฒพ ล, ลกุลนะซึ่งก็อายุถึง74ปีได้ล่วงลับดับขันไปก็จะเป็นตามธรรมเนียมที่จะกล่าวว่าเป็นปกติธรรมดาของการสูญเสียผู้นำครอบครัวผู้เป็นพ่อผู้เป็น สามีผู้เป็นปู่ผู้เป็นตาของลูกหลานทั้งหลายและเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธศาสนาและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติซึ่งการที่เราเกิดมาแล้วก็ตายไปนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เรารู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในพุทธศาสนาเรานั้นจะทำอย่างไรให้ การเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่เป็นเรื่องธรรมดาฝนตกลงมาน้ำไหลลงที่ต่ำเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่มันตกลงมาแล้วมันเกิดไม่ไหลลงต่ำเป็นเรื่องธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมดาของฝนที่ตกแล้วไหลลงที่ต่ำแล้วตกแล้วมันไม่ไหลลงที่ต่ำเนี่ยความเป็นธรรมดาของไม่ธรรมดาของน้ําอันไหนมีประโยชน์กว่าน้ําไหลลงที่ต่ำเป็นประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้น เวลาตกลงแล้วจงปล่อยให้มันไหลลงทะเลให้หมดใช่ไหมเพราะมันมันเป็นประโยชน์ตรงไหนถ้าไม่มันมีที่เก็บแสดงว่ามันไม่ไหลลงที่ต่ําแล้วจะมามันต้องไหลไปที่ไหนไหลขึ้นที่สูงนั้นแสดงว่าน้ําตกลงมาแล้วมันไหลขึ้นที่สูงไม่ลงไหลไปในที่ต่ําแสดงว่าไม่ธรรมดาถ้าเราจะฝนตกลงมาแล้วมันไหลลงที่ต่ําทั้งหมดเราจะได้ฝนน้ําฝนไว้กินไหม เราจะได้น้ำฝนไว้เก็บกักในเขือนนะ่อนอ่างเก็บน้ำไหมเราจะได้น้ำฝนเก็บไว้ใช้ทั้งปีไหมไม่ได้ใช้เพราะมันเป็นธรรมดาแต่เพราะไม่ธรรมดาเราจึงมีน้ำไว้กินไว้ใช้ตลอดทั้งปีชีวิตนี้จะให้มันเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไป เ, ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับน้าลงทะเลแต่โดยที่เราเป็นชาวพุทธต้องเห็นว่าการเกิดการแก่การเจ็บนั้นต้องทำให้เป็นเรื่องไม่ธรรมดา คือจะทำไงให้มันแก่ช้าเจ็บเจ็บช้าตายช้าทำไงให้มันเกิดน้อยแก่น้อยเจ็บน้อยและตายน้อยและจะทำไงให้มันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานี่คือชาวพุทธของเราเพราะฉะนั้นชาวพุทธของเราจึงนิยมเรียกว่าทวนกระแสตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทํานิมิตหมายว่าแต่ครั้งแรกก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมก่อนที่จะท่านตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำธรรมนิมิตไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าจะดับกิเลสได้คลายกิเลสขาดตัดกิเลสหลุดขอให้ถาดใบนี้จงไหลชวนกระแสขึ้นไปเหนือน้ําแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทนกิเลสได้คือเป็นไปตามกิเลสตัดกิเลสไม่ได้คลายกิเลสไม่ขาดสลัดกิเลสไม่หลุดขอให้ถาดใบนี้จงไหลไปตามกระแสน้ําแล้วในที่สุดถาดของพระองค์เป็นยังไง มันก็ไหลทวนกระแสน้ํานั่นไม่ธรรมดาใช่ไหมเพราะมันทวนกระแสน้ํานั้นชาวพุทธของเราไอการเกิดมาเราทําตามกระแสกิเลสทากระแสความอยากเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้การที่เราจะต้องกินต้องเล่นต้องสนุกสนานไปตามใจตามอยากนั้นเป็นเรื่องธรรมดากับการที่เราเกิดมาแล้วไม่กินไม่เสพไม่สนุกสนานไปตามใจปรารถนาเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่ธรรมดา เป็นเรื่องไม่ธรรมดาเราต้องการแบบไหนไม่ธรรมดานั่นถ้าคนไหนถือว่าการเกิดการแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาก็ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปสัตว์มันทําได้ไหมได้แต่คนจะทําอย่างมันได้ไหมไม่ควรเนาะน่าจะดีกว่าทําเรื่องธรรมดาให้ไม่เป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นความสามารถของคนเป็นพิเศษใช่ไหม ดังนั้นเองอันนีก้การเกิดขึ้นของพุทธศาสนาดังนั้นถ้าไม่มีสิ่งนี้พุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องธรรมดาใครเป็นก็ได้นะเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นก็ได้แต่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่ว่าพุทธศาสนาต้องทำเรื่องที่มันธรรมดาให้ไม่เป็นธรรมดาเมื่อก่อนนะเราจะหวานข้าวไถนาดาไร่ดนานาเกี่ยวข้าว แล้วก็ทําตามแบบที่เราทําเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดเกี่ยวแต่ทุกวันนี้เราทําเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแสดงว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าไฮเทควันนี้จึงเรียกว่าอาิธรรมยุคไฮเทคเป็นหัวข้อเรื่องที่จะพูดในวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้นสวดอภิธรรมมานานเนเือเกินละว่าอภิธรรมทาไมต้องสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีส่วนสักหคัมภี์ไม่ได้หรือสักแปดคำพีไม่ได้หรอสักสามคำพีไม่ได้หรื อ, ม, อมันจะได้ไม่สวดเยอะเกินไปนะทําไมต้องเจ็ดคำพีนะแล้วปรากฏว่า <c oughs> สวดให้คนตายวันนี้เราพาสวดทําว่าสวดมนต์แปลเนี่ยไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดานะนะีะธรรมราก็ไม่ทํากันใช่ไหมแต่เราเป็นชาวพุทธเราต้องทําสิ่งที่ไม่เป็นไม่ใช่เรื่องธรรมดา นะ่ต้องทําดีกว่าธรรมดานะนั้นัน้นส่วนทั่วไปเป็นการไม่ต้องแปลเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนแล้วเราแปลไม่ใช่เรื่องธรรมดานั้นะนั้นเองวันนี้อภิธรรมมันอาจจะไม่ใช่เจตคัมภีร์นะเราก็ฟังแล้วกันที่ไม่ใช่เจเป็นยังไงคําว่าอภิธรรมเนี่ยสมัยก่อนท่านใช้คําว่าปรมาถธรรมนะใช้คํา2คําคือส ม, มุติธรรมกับป ร, ม, รมัตถธรรม ล้าย่แค่สองคำนะต่อมาก็มาเป็นาสามขึ้นมานะมาเป็นพระวินยัยพระสุตันตะและพระอภิธรรมเป็นสามขึ้นมานาพะพระพระวินยัยตอนแรกก็มีพระธรรมและวินยัยต่อมาก็เป็นพระอภิธรรมนะดัง น, นั้นจึงไม่เป็นเรื่องที่ธรรมดาเราก็จะได้กล่าวต่อไปและทำไมเราจะต้อง เอาเรื่องของอภิธรรมมาสวดเฉพาะคนตายคนเป็นสวดไม่ได้หรือนะเราบอกเออเนี่ยอภิธรรมเจดคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าท่านเสด็จไปโน่นไปแสดงอยู่บนสวรรค์ชั้นอะไรนะชั้นดาวลึงดิชั้นดูสิท่านเสด็จไปประทับอยู่ชั้นดุสิตแต่เวลาจะแสดงธรรมต้องแสดงที่ชั้นดาวาดึงเพราะเหตุไร น, น่าน่าจะต้องมีเหตุผลนะเออ ถามว่าเพราะอะไรทําไมต้องวิ่งไปวิ่งมาให้ลาบากล่ะเอออยู่ไม่รู้ไสวรรค์ช่นเราวั น, นึงกระดูสเศมนะันห่างกันไม่รู้เท่าไหร่เนะี่ยทาไมท่านวิ่งไปวิ่งมาไม่ลําบากหรือคิดกันมั่งไหมไม่คิดเพราะว่าเราเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องคิดแต่วในนี้เราต้องคิดเพราะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะดังนั้นเองอภิธรรมเจ็ดคำพีแล้วก็เป็นพรรษา ท, ที่เท่าไหร่นะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงหลังจากที่พระ อ, องค์ตรัสรู้แล้ว เป็นพรรษาที่เจ็ดหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ท่านตรัสรู้พระชนมายุสามสิบห้าพรรษาเพราะฉะนั้นท่านขึ้นไปแสดงธรรม ท, ที่ทันนี้ที่ในสวรรค์ชั้นดุสิตในพรรษาที่ท่านเป็นพรรษาที่เท่าไหร่สามสิบห้านับไปหลังนั้นเจ็ดปีเป็นสี่สิบเพ่ออะรสี่สิบสองใช่ไหมอ่าหมายเลสี่สิบสองโดยมาปรารบว่านะมาปรารบว่า แต่มันก็ตรงกับที่ท่านไปโปรดไปยุระญาติหลังจากแต่สิุิเจปีใช่ไหมที่ท่านเสด็จไปที่เมืองกระบิลพัฒน์นีพรรษาที่7เหมือนกันเออพรรษานั้นไปจำพรรษาที่นครกระบิลพัฒน์เพื่อโปรดญาติใช่ไหมแล้วพรรษาที่7็เหมือนกันเออประวัติศาสตร์ตัวนี้ขัดกันหรือเปล่านาพรรษาที่7็ โปรดพระไปอนุญาตที่เมืองกบิลพัฒน์บอกพรรษาที่เจ็ดเหมือนกันท่านเสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเอดุสิตมันอยู่ที่กรุงกบิลพัฒน์อยู่ที่บนบนฟ้ากันแน่สักสงสัยแล้วเชอยพระพรรษาเดียวกันน่ะคิดกันไหมนี้ถ้าเป็นชาวพุทธเราต้องคิดว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดามีอะไรบางอย่างที่มันแมทแล้วมันตรงกันนั้นน่าจะมีอะไรบางอย่างนะแล้วก็พุทธมานดาสิ้นพระชนไปใน หลังจากที่ท่านประสูตรให้ประสูติการแล้วกี่วันกี่วันนะสมวันห้าวันเจดวันกี่วันกันแน่อ่าเจ็วันนะมีเหตุการณ์เจ็ดวันเกิดขึ้นวรรดาชินพระชนแล้วตามประวัติบอกว่าท่านไปจุติและไปจุติไปที่สวรรค์ชั้นดุสิตอันนั้นเราบอกว่าไปแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึง ก็อยู่คนลชั้นกับพระมารดาใช่ไหมพระมารดาไปไปสูตรไปจุติอยู่ชั้นดุสิตนะแล้วสวรรค์มีกี่ชั้นกันล่ะอ่าหชั้นน่าจะมี7ชั้นเนาะเพราะทั้ง7คอมภีทำไม6ชั้นนะหลักฐานสัดแย้งกันทีนี้ในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่1ก็คือสวรรค์ชั้นอะไรจารุมมหาราชชั้นที่2สวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่3สวรรค์ชั้น ยามาชั้นที่4สวรรชั้นดุสิตชั้นที่5สวรร์ชั้นนิมานรดีชั้นที่6สวรรษชั้นปรินิมิตสวดีใช่ไหมสวรรษหกชั้นนะทีนี้แต่ละแต่ละชั้นก็จะมีเจ้าผู้นักเจ้าของสวรร์วันนี้จะไม่ลงลึกในรายละเอียดเพราะเวลาไม่พอนะเอาเฉพาะที่จำเป็นนะเฉพาะที่จาเป็นแล้วก็สวรร์ชั้นดุสิต มันตรงกับประเทศไทยหรือเปล่าดูสิ์มหาปราสาสเนอะเอาไปเป็นชื่อตั้งสวรรค์นะช่ตั้งของสวรรค์นั่นเองในส่วนนี้อาจมาเคยไปเผยแพร่อยู่ที่อเมริกานะที่เนวาดาไปญาติโยมเข้าถวายที่สร้างวัดในศูนย์หลวงพ่อเทียนอยู่ที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดา ก็ไปมาทุกปีเกือบ20ปีแล้วทีนี้ฝรั่งคนหนึ่งมันถามเพราะฝรั่งที่เป็นบาดหลวงแต่ละคนเนะ่เขาเรียนพระไตรปิฎกของเราด้วยนะเขาศึกษาผู้ศาสนาเป็นอย่างดีเขามาถามบอกว่าพระพุทธเจ้าช่วงที่ท่านระจนมานนะตามประวัติบอกว่ามีแม่ธรณีผุดขึ้นมาจากแผ่นดินแล้วบีบมวยผมจนน้ำหลั่งออกมาจากมวยผมของแม่ธรณี ใหญ่หลวงเท่ากับแม่น้ําเจ้าพญาสามารถท่วมทับหมู่มารตายหมดเพราะงั้นนั้นแสดงว่าแม่ธรณีมาช่วยพุทธเจ้าไม่ได้ทําอะไรเลยกับมารถ้าหากว่าแม่ธรณีไม่มาช่วยพระุทธเจ้าก็คงจะต้องสูญเสียบลังให้กับมารใช่ไหมนั้นแสดงว่าพระศ า, าสดาของท่านไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยถ้าไม่มีแม่ธรณีก็คงจะแพ้มารแน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นท่านว่า เป็นอย่างนั้นไหมโอ้เอามาเจอคําถามใหญ่เลยนะคยชวนมาขนาดใหญ่เลยว่าเอ๊จะตอบยังไงดีเอามาก็ถามว่าคุณเคยทานผลไม้ไหมทานอ่าแล้ ว, มลวสมมุติว่าคุณทานทุเรียนด้วยกันคุณจะกินส่วนไหนของมันกินส่วนเนื้อเวลาคุณไปซื้อทุเรียนเนี่ยคุณจะเป็นทั้งซื้อมาทั้งลูกใช่ไหมใช่แล้ว ค, คุณกินเปลือกมันด้ไหมไม่กินอ้าวทำไมคุณซื้อมาทําไมอะ่ะ เออจะหาคําตอบยากแหละคุณกินไม่ได้คุณซื้อมาทําไมเราเม็ดมันคุณกินได้ไหมไม่ได้แล้วคุณต้องเอาเม็ดมันไหมเอาแล้วซื้อมาทําไมบอกมันมาด้วยกันแล้วผลไม้เนี่ยมัน others, มีแต่เนื้อมาอยู่ได้ไหมไม่ได้มีเปลือกด้วยชั้นใดก็ดีพระพุทธศาสนานั้นมีสองส่วนส่วนที่เป็นสมมุติและส่วนที่เป็นปรมาสส่วนที่เป็นสมมุติคือเปลือกของมันเโดยสมมติเปลือกทุเรียนและในส่วนที่เป็นปรมัาสคือเนื้อของมันคือส่วนที่ทานกินได้ เพราะฉะนั้นอันนั้นประวัติศาสตร์และพุทธประวัตินั้นเป็นเปลือกของมันเรียกว่าสมมุติธรรมแล้วในส่วนที่ท่านตรัสรู้นั้นและท่านพ้นทุกได้นั้นเป็นเนื้อของมันที่ท่านบริโภคได้แต่เราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าประสูติพระเจ้ชาชนะมานโดยอาศัยหลักสองประการคือแม่ธรณีได้แก่ขันติธรรมบีบมวยผมได้แก่ใช้ปัญญาเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรงชนะความคิดอันเป็นมารอากูศสนของท่านด้วยคุณทํามสองประการคือขันติและปัญญาพูดแค่นี้จบนั่นคือปรมัทิตย์แต่ทําไมต้องแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าต้องมีแม่ทลีนิยกพยามารยกกองทัพมามาโหลานมาขยาบบันลังของพระพุทธเจ้าอะไรนี้ทำไมต้องแต่งส่วนนั้นไว้เพราะว่ามันเป็นเปลือกแต่ถ้าหากว่าขันติและปัญญาถ้าไม่มีเปลือกหุ้มเนี่ยมันอยู่ได้ไหม ไม่ได้เพราะเป็นปรมัดไม่มีใครจำได้เพราะเป็นปรมัดแต่สภาวะแต่เรื่องราวและนิทานประกอบนั้นเป็นโดยสมมุติภาวะเอามาประกอบกันเข้าจึงเป็นเรื่องราวเหมือนทุเลียนหนึ่งลูกเวลาคุณใช้คุณก็ทิ้งเปลือกมันไป ชั้นใดก็ชั้นนั้นโอ้ฝรั่งฟังแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยลึกซึ้งขนาดนั้นเลยใช่คุณรู้แต่เรื่องสมมุติแต่คุณไม่รู้เรื่องปรมัตน์แล้วฉันจะรู้เรื่องปรมัตน์ได้ไงมีอย่างเดียวคุณต้องทําวิปัสนาแล้วฉันทําได้ไหมวิปัสนาเป็นเรื่องของพุทธเพราะฉันเป็นคริสเอาเรื่องวิปัสนาไม่ใช่เรื่องของพุทธเรื่องของคริสคุณหายใจไหมหายใจชาวพุทธหายใจไหมหายใจชาวคริสหายใจไหมหายใจเอาอมหายใจเป็นเรื่องของใครอ่ะเป็นเรื่องของพุทธเรื่องของคริสเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของ ธรรมชาติของคนทุกคนเหมือนกันพุทธศาสนาเป็นธรรมชาติของคนทุกคนพุทธศาสนาไม่ได้เป็นของใครสภาวะพุทธแปลว่าภาวะารู้ตื่นเบิกบานคุณมีความรู้ไหมมีความตื่นตัวคุณมีไหมมีความเบิกบานในบางครั้งบากเขาคุณมีไหมมีนั่นแหละคุณมีพุทธะเหมือนกันแม้คุณไม่ใช่พุทธเพราะมันเปลือกมันอาจจะเป็นมังคุดและลำไยแต่เนื้อในมันกินได้ทุกชาตินะ่ะอาจจะเรียกเยนื้อในไม่เหมือนกันนะ่ะ แต่ว่าเนื้อรถชาติไหนก็ตามชิมแล้วเหมือนกันหมดไปเจอตรงนี้ออเพราะฉะนั้นในส่วนนิทานชาดกต่างๆในเรื่องของสวรรค์หชั้นก็ดีพรม16ก็ดีก็มีทั้งเปลือกและทั้งเนื้อมีทั้งสมมุติสัจจะและมีทั้งปรมัตารยจจักระนั้นอริธรรมก็คือตัวปรมตจพระวินัยและพระสูตรเป็นตัวสมมุติในตัว นะพระวินัยและวไปสูตรเป็นสมมุติพระอภิธรรมเป็นปรมัตัยในสมัยต้นด้านเรียกว่าปรมัตาธรรมและสมมุติธรรมต่อมาเมื่อมีการสังคยานาก็แยกเป็นพระวินยัยพระสุตตันตปิฎกและพระ อ, อภิธรรมแยกกัดออกมาเพื่อความ <c oughs> สะดวกในการใช้หมวดจัดหมวดหมู่เท่านั้นเองนะดังนั้น นะอภิธรรมทั้งเจดคัมภีร์เริ่มต้นด้วยอะไรนะที่เราจะสวดต่อไปสวดแปลนะวันนี้นะวันนี้สวดร่วมกันทุกคนนะไม่ได้ปล่อยให้พระสวดเท่านั้นนะสวดแปลด้วยนะเพราะถ้าสวดธรรมดาทั่วไปกุศลธรรมกุศลธรรมวิยะกตตธรรมาจบแล้วก็พระก็กลับวัดไปเรื่องธรรมดาทุกวัดทุกว่าทุกบ้านทุกหมู่ทํากันแต่วันนี้เราสวดแปลแล้วก็สวดพร้อมกันทั้งหมดเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเอามาเข้าไปเคยแพร่ไปอยู่ที่อินโดนีเซียนะเสร็จแล้ว เขานิมลไปที่เกาะ ห, หนึ่งเรียกเกาะสุลบยามีผู้เท่าคนหนึ่งที่เป็นาทายิกาของวัดอายุ94ปีดูแลรักษาวัดด้ละท่านอามอรณาภาพหรือตายลงก็นิมลพระไปสว่วนทีนี้พระก็ไปกันนะมาไปกันตอนนั้นสามสี่รูปก็ปรากฏ ว, ว่าทายกทดีกาเพราะชาวพุทธในริมเซียก็เยอะเหมือนกันนะเยอะมาก ก็ชาวพุทธก็มากันทบนุ่งขาวห่มขาวเขาไม่ได้นุ่งดําห่มดําอย่างเรานะเขานุ่งขาวห่มขาวมาก็ปรากฏว่าญาติโยมเขาค่อยสวดความกับพระเลยนะเขาบอกบางครั้งในเกาะนี้เนี่ยพระไม่มีแต่นี่พระคุณเจ้ามาโดยบุญของ าทายิกาวัดทั้งท่านนี้ไม่ได้นิ ม, มนต์ไว้ก่อนนะไปโดยบังเอิญเพราะโยมเขานิ ม, มนต์ไปไปเผยแพ ร, แร่ไปเทศนาเรื่องวิปัสนาแต่ว่าโยมทายิกาตายในช่วงนั้นพอ ด, ดีพระธตมาก็เลยได้ไปสวดเรยว่าด้วยบุญของทายิกาคนนั้นคนอายุ9าทำไมใสขนาดนี้ศบใสเลยนะแล้วก็หน้ายัางยังดูประมาณคนสัก70 มันนั่นเองบุญกุศลอย่างคุ้มครองแม้กระทั่งตายแล้วนะไม่ต้องคาสาปลอกหอกสา ย, ยางนอนตายธรรมดาเหมือนนอนหลับก็ปรากฏว่าพอไปส่วนงานนั้นก็สวดพร้อมกันนะมาร์เออถ้าเมืองไทยเหล่านี้เอาแบบนี้ก็ดีนะเผื่อว่าในวันข้างหน้าพระเหลือที่วัดองค์เดียวก็ไม่ต้องนิมนต์สี่รูปห้ารูปใช่ไหมนิมนต์พระไปองค์เดียวแต่ว่าโยมสวดกระทั้งหมดเลยนะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปพระอยู่ยากเนาะพระจะอยู่ลำบากยากขึ้นเพราะพุทธศาสนาถูกภัยเบียดเบียนหลายด้าน อาพระเดี๋ยวนี้มีแต่วัดต่างๆบ้านนอกมีแต่วัดหลวงะนะฮะวัดลาดไม่เคยมีแล้วรู้จักไหมวัดหลวงอะไรวัดหลวงตามีหลวงทาเฝ้าวัดวัดละองสององนั่นเนนก็ไ ม, ม่เคยมีบวชล ะ, ะนั้นเองก็วัดก็จะล้างไปต่างๆทีนี้อภิธรรมเจ็ดคำพีขึ้นเตื่อว่าท่านใช้คำว่าธรรมสังคีนีเนาะ ก็ขึ้นต้นสวดกุศลธรรมะกุศลธรรมอพยากตาธรรมะทำที่เป็นกุศลก็มีทำที่เป็นอกุศลก็มีทำที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็มีทำที่ดีก็มีทำที่ไม่ดีก็มีทำที่ยังไม่แน่ก็มีดีมีมีสามธรรมนะหนึ่งธรรมที่ดีสองที่ทำที่ไม่ดีสามที่ทำไม่แน่ไม่แน่นอนว่าจะเป็นอะไรอพยากตะอย่างพยากรณ์ไม่ได้ว่ามันมันดีหรือไม่ดี ท่านทั้งหลายนั่งรู้สึกไงบ้างตอนนี้นั่งสบายหรือไม่สบายนั่งมาเป็นชั่วโมงรู้สึกสบายหรือไม่สบายความไม่สบายนี่ดีหรือไม่ดีไม่ดีลองขยับดูสักนิดดิดีไหมคำว่าดีมันเบาขึ้นใช่ไหมนั้นความดีมันจะเกิดขึ้นโดยนั่งเฉยๆมันจะดีขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ดีต้องทําแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องทําเดี๋ยวมันมาเองนั่งเป็นนานๆก็ได้ปวดขาเองแหละเห็นไหมสิ่งที่ไม่ดีนั้น มันมาเองเป็นธรรมดาแต่เราทําให้มันดีนั่นธรรมดาไหมไม่ธรรมดาวันนี้เราขึ้นโดยธรรมดามันได้ลุกตรอกล่องตรงนี้นะเาผานเสียงตกล่องทะเละตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ไม่ว่าวัตถุกระดามน้ำธรรมก็ตา ม, า ม, ม, าตามถ้าจะทําให้มันดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้น้ําฝนตกลงมาไหลลงเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันไหลขึ้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเรานั่งไปนานๆปวดขาปวดแข้งเป็นเรื่อง ธรรมดาแต่นั่งแล้วไม่ให้มันปวดเนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดาแล้วต้องมีการทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะอันนี้เรียกว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะพยาการธรร ม, มะทำที่เป็นคำว่ากุศลกับบุญนี่ต่างกันอย่างไรอมาเลยต้องบอกว่าบุญเป็นผลกุศลเป็นเหตุบุญแปลว่าความสบายความเต็มแต่คนเราที่จะสบายได้เนี่ยมันสบายเองไหมขานั่งไปแล้วมันสบายขึ้นเรื่อยๆไหม ไม่มันสบายเองไม่ได้มันจะต้องมีกุศลเป็นเหตุบุญนะั้เป็นผลความอิ่มความเต็มความสบายความสุขเนี่ยมันเป็นผลคือบุญแต่มันจะต้องมีเหตุบุญเป็นผลกุศลเป็นเหตุกุศลการที่เราขยับขาเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลการปวดขาเป็นอกุศลใช่ไหมอกุศลทางกายแล้วการขยับขาเนี่ยมันทําให้ อกุศลทางกายหายไปกุศลทางกายเกิดขึ้นคือความสบายความสบายเนี่ยเป็นบุญกุศลคือเรารู้สึกตัวแล้วขยับแต่คนไม่รู้สึกตัวนั่งไปเรื่อยๆเป็นไงก็เกิดอกุศลคือความไม่สบายจริงไหมแล้วจะปล่อยไม่สบายไปเรื่อยๆดีไหมพอกายไม่สบายนานเข้านานเข้าจิตมันก็เบื่อนั่งเป็นนานๆไม่ไหวไม่รู้พระโอ๋นี่ไปจบเท็จเมื่อไหร่กูจะจะกลับบ้านแล้วเงี้ยจิตมันก็จะบ่นละจิตมันก็จะเบื่อ เพราะอะไรเพราะมันไม่สบายคนเราถ้ากายไม่สบายจิตมันก็จะคิดใช่ไหมมันก็จะฟุ้งไปละคิดโน่นคิด น, น, ดนี่แต่คนเราฟังแล้วถือจิตสบายเทศทั้งคืนก็ดีนะฟังแล้วสนุกอันนี้คือจิตเป็นละเจ็ดเป็นกุศลแล้วใช่ไหมก็จะคิดไปทางที่ดีเราก็จะได้บุญ น, นะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องกุศลอกุศลเดี๋ยวไปคิดไปเลือกนะคิดเอาง่ายๆอย่างเนี้ยทานข้าวอาร่อยสบายหรือไม่สบายอทานข้าวไม่อร่อยสบายหรือไม่สบายทานข้าวไม่อร่อยไม่สบาย คนนั้นเวลาเราไปเสื้ออาหารทานน่ยต้องไปร้านที่อร่อยหรือไม่อร่อยร้านอร่อยเคะนั้นร้านไหนอร่อยนี่มันธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทานทำกับข้าวไม่อร่อยนี่ใครทําก็ได้ใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ทำกับข้าวที่อร่อยเป็นวิเศษเนี่ยธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเห็นไหมไม่ธรรมดานี่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลแต่ความเป็นธรรมดาได้เป็นอกุศลอ่าเอชัก มั่วหรืเปล่าองค์นี้เอาให้ทันนะตามไม่ทันนะตามไม่ทันมั่วแน่กันนะมั่วแน่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอพยากตาธรรมะเนี่ยทำที่ดีคําว่ากุศลเนี่ยทําไมถึงคําว่าบุญกุศลถ้ามันเหมือนกันทําไมไม่ใช้คําเดียวกันที่ทําให้คนละคำไม่เหมือนกันนะคําว่ากุศลเนี่ยเพราะพุทชาวอินเดียยืมมาจากคําว่าญ้าชนิดหนึ่งเรียกว่าหญากุศา ยาคุษาแปลว่ายาอะไรเคยได้ยินไหมยากุษาเป็นยาชนิดหนึ่งที่โสติยพราหมได้ถวายพระองค์ท่านระหว่างทางที่ท่านไปลอยถาดกลับมาสู่ที่โพธิบัลลังในระหว่างทางพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าโสธิยพราหมได้ถวายยาคากี่กมือแปดกมือแล้วพระองค์ก็ได้นํายากุษานั้นมาปูราตที่อาสนะเหนือบัลลังใต้โพธิบัลลังชื่อว่ายาคุษาเราเอามาแปลเป็นภาษาไทยว่ายา ยาคาเราจี๋ยาคานั่นแหละยาคาเนี่ยทำไมจึงเอาชื่อของยาคามาตั้งชื่อของกุศลมากุศาเนี่ยเพราะยาคามีคุณสมบัติหประการวันนี้โยมชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวเกษตรต้องตอบให้ตรงนะว่ายาคาเนี่ยมีคุณสมบัติกี่อย่างโยมที่เป็นชาวไร่ชาวนามีไหมชาวไม่สอดมีคุณสมบัติกี่ประการหนึ่งยาคามีลักษณะเป็นไงยาคามีหนามไหม นอนนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรข้งมัน้นาน้นามมันแหลมหรือมันมันทู่หนาแหลมหนึ่งไม่นาแหลมสองลากสีดำหรือสีขาวลากยาคาลากสีขาวสามราขายากลากยาวหรือลากสั้นลากยาวไปทั่วเลยนะสี่ยาคาตายง่ายหรือตายยากยาตายยากห้ายาคาใช้ประโยชน์อะไร ชายหลังคาแม้จะคุณจะมุงสังกสีเมทัลชิตกับเบื้องก็ดำก็เรียงเรียกว่าหลังอะไรหลังคาไม่ได้เรียกว่าหลังเมทัลชิตไม่ได้เรียกว่าหลังสังกสีไม่ได้ว่าเหลียงหลังกับเบื้องก็ยังเรียกว่าหลังคาเพราะจะมีเพื่อเป็นอนุสอนแก่ย่าคาแม้มันจะหมดไปแล้วก็ตามนะก็ยังไม่หมดนะคนคนที่จะมีกุศลก็มีคุณสอรัตหะประการหนึ่งคนที่มีกุศลต้องเหมือนรากย่าคา คือจิตต้องสะอาดคือจิตขาวเหมือนรากยาคายาคานี่ถอนมาแล้วนี่ไม่ต้องล้างนะเคี้ยวกินได้เลยนะอาจะมาสมัยเป็นเด็กถ้าหิวน้ําขึ้นมาก็ถอนรากยาคาออกมาเคี้ยวกินหวานด้วยปวานปลาเลมปลาเลมไม่จัดนะอ่าหนึ่งรากยาวสองคนบีกูศซนนั้นต้องแหลมคมฉลาดและแหลมคมเหมือนรากยาคาสามรากยาคานีน่ยหากินไกลและยาวลึก คนที่มีกุศลนั้นชอบสแสวงหาสิ่งที่ดีๆที่นําให้เกิดปัญญาแหลมคมลึกซึ้งหากินไกลกันไหมคราบว่าชอบหาความรู้ใส่ตัวชอบสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใ, ใส่ตัวเรียกว่าอมีคือสแสวงหาไปทั่วอะไรดีๆนะอะไรที่ดีๆเนี่ยย่าขาเมื่อกันมันไปหลายแห่งมันต้องไปสแสวงห า, าธาตุอาหารใส่รากใส่ต้นของมันสี่ยา่าคาคุณ ทางแล้วเผาอีกทางแล้วเผาอีกทุกปีมันตายไห ม, ดมได้น้ำได้ฝนมันก็เป็นไงงามขึ้นกว่าเก่าใช่ไหมวันนี้ไถแล้วมันก็ยังไม่ตายทำไงสมัยนี้ใส่ ย, ยาดฆ่ายาไปเลยนะโอ้ทารุณ น, นะน่ะเหมือนกันคนที่มีกุศลมีคุณสมบัติ5าอย่างหนึ่งมีคนไปขนคนใจซื่อมือสะอาดขาวเหมือนลักยาคา สองเป็นคนแสวงหาความรู้และสุ ป, ประสบการณ์ใหม่ๆเสมอเหมือนความลึกและยาวของระยะ า, าสามเป็นคนที่มีปัญญาปฏิพันธ์ใบพิพิธที่แหลมคมหมือนหนามยาคาสี่เป็นคนที่อดทนเขาจะด่าจะว่าจะดินทาจะาว่าร้ายจะเบียดเบียนก็อดทนไม่ตายง่ายๆไม่เสียอารมณ์ง่าย ไม่บูดง่ายๆและไม่ปฏิฆางหงุดหงิดได้ง่ายยังเฉยๆอยู่เลยนะอ่าอันนี้เรียกว่ามีความอดทนสูงอแล้วก็หา้าคนที่มีกุศลนั้นจะต้องเลือกทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเสมอไม่ทําอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเท่านั้นแต่คิดถึงประโยชน์ผู้อื่นเสมอเรียกว่าเหมือนเหมืนอนยาคามันมุงหลังคาเพื่อ บางแดดบางร้อนบางฝนให้คนอยู่อาศัยฉันใดคนที่มีจิตเป็นกุศล น, นั้นย่อมที่จะคอยปกป้องคุ้มครองเพื่อนฝูงและผู้ที่อยู่ใกล้ตัวฉันนั้นเหมือนกันนั้นเรียกว่าคนมีกุศลเพราะนั้นคำว่ากุศลเป็นเหตุห้าประการนี้ไหวไหั้มใครมีคุณสมบยยัติอย่างนี้บ้างอ่าไม่งั้นคนส่วนใหญ่ชอบทำบุญหรือชอบทำกุศลชอบทาบุญเพราะมันจะได้นั้นได้นี่นะ ได้สวรรค์ได้ลาบได้รวยได้หวยได้เวอร์ได้โชคได้อะไรไปเรื่อยๆแหละชอบทําบุญแต่การทํากุศล น, นั้นจะต้องทำหนึ่งเว้นชั่วสัพปะปาปัสะสะกรลลังสองกุศลสู้ประสัมพทาถึงพร้อมด้วยความรู้จักเลือกและฉลาดเลือกกุศลแปลว่าฉลาดแปลว่าแหลมคมไม่ใช่ว่าถึงเพราะเออเป็น เ, เรามักแปลง่ายๆละชั่วทําดีทําจิตให้สะอาดแจม่มใสอะไรนี่มันธรรมดาเลยเกินแต่มันใจง่ายๆมันนะ คนส่วนใหญ่เนี่ยทำดีแต่ไม่ละชั่วคุณไม่ต้องทำดีก็ได้แต่คุณอย่าทำชั่วก็แล้วกันคุณละชั่วพก็ดีไปเดือโดยอัตโนมัติแล้วสองอย่างคุณทำอย่างไรอย่างหนึ่งถ้าคุณทำดีคุณก็ต้องละชั่วถ้าคุณละชั่วคุณก็ทำดีไปในตัวถ้าคุณคนส่วนใหญ่ชอบทำดีแต่ไม่ละชั่วคุณจะเข้าวัดฟังทำรักษาศีลแต่การสูบบุหรี่การกินเหล้าดีหรือไม่ดี ไม่ดีเนี่ยเขาเรียกไม่ละชั่วคุณเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างคุณขี้บ่นขี้ด่าพูดปูดโซเสียลหลอกลวงอยู่เป็นประจำอันนั้นชอบทําดีแต่ไม่ละชั่วมันถึงทําดีจึงมาบ่นว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีมีถมไปทําชั่วแล้วได้ดีมีถมไปทําดีได้ดีสับสนไหมทำดีทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วแล้วได้ดีมี มไปอันนี้เป็นพาสิทธ์ของบัณฑิตชนหรือพาร า, า, า, า, าชนเป็นพาลบัณภารชนนะเป็นพารภพาสิทธิ์ไม่ใช่พุทธภาสิทธิ์นะเป็นพารภ า, าสิทธิ์นะดังนั้นท่านบอกว่าทําข้อที่สามเนี่ยคือทําจิตให้ดีเสมอทํากายดีวาจาดียังไม่พอทําจิตให้ดีเสมอถ้าใยใจดีถ้าใจดีแล้วไม่ต้องดีใจก็ได้ ถ้าดีใจมันมีคู่กับเสียใจแต่ถ้าใจดีมันไม่มีคู่นะโอ้คนนี้ผู้ใหญ่นี่ใจดีเห็นหน้าเมื่อไหร่ก็ยิ้มผู้ใหญ่ก็ใจดีเห็นหน้าเมื่ไรหน้าเชืเห็นหน้ากค่แล้วอุ่นใจแต่คนนั้นเห็นหน้าเมื่อไหร่ก็โอ้ไม่ค่อยสบายใจแล้วไม่อยากเข้าร้านเลยหน้าบึ้งหน้าบูดหน้าเบี้ยวนี่เขาเรียกว่าใจดีหรือไม่ดีถ้าคนใจดีสังเกตว่าต่ต้องหน้าเป็นไงหน้าบานหน้าไม่หิวนะไม่ใช่หน้าบางนะหน้าบาน นะคนใจดีนั่นนะเหมือนดอกไม้อ่ะมันจะบานได้แสดงว่าจนเขาเงากองไปไงต้องสมบูรณ์ต้องดีใช่ไหมดอกมันถึงบานเพราะฉะนั้นเราเป็นคนใจดีไม่ใช่ดีใจเวลาคุณได้ของมาคุณก็ดีใจแต่ว่าถ้าคุณไปหาของไม่ได้ของคุณก็เสียใจถ้าคุณซื้อหวยคุณได้มาถูกหวยก็ดีใจถ้าซื้อแล้วคุณเสียก็ เสียใจเพราะคุณไปเล่นคาสิโนที่ฝั่งพม่าได้มาก็ดีใจไปเอาเสียเงินไปหาดีลหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นคุณก็เสียใจกลับมาเพราะใจคุณไม่ดีถ้าใจคุณดีนะคุณจะไปเล่นไหมไ ม, ไม่เล่นเพราะที่ไปเล่นเพราะใจไม่ดีมันจึงเสียใจนะะอันนี้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นกุศลาธรรมากุศลาสมาไม่ต้องไปไกลกว่านนะั้นเอาแค่นี้พอแค่สามพอ่อถ้า จ, จบหมดทั้งข้อนะคืนนี้ไม่ได้กลับบ้านกันแน่นะ หลวงพ่อก็ลังมองหาน้าอยู่นะเดี๋ยวหลังจากบรรยายแล้วเปิดโอกาสให้ให้ถามปัญหานะครั้งหนึ่งจะมาไปอบรมสมัยก่อนอบรมพวกเด็กนักเรียนในในเมืองไทยนะอา้าวใครมีปัญหาเลยถามยกมือขึน้นยึบทั้งห้องเลยนะขยันขยอ้อยถามก็ไม่ถามเมื่อปี40เนี่ยเอามาได้รับนิมนต์ไปอบรมวิปัสสนาครั้งแรกที่วัดจงเหยยนล นิวยอร์กเมืองคาเมลซิตี้อยู่นั้นประมาณ6เดือนทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งในเดือนมิถุนาเนี่ยเขาเรียกเป็นซัมเมอร์แคมป์โรงเรียนต่างๆเขาอยู่ในช่วงซัมเมอร์แล้วเขามาเข้าแคมป์เขาได้ซัมเมอร์แคมป์ที่วัดนะเนีเป็นวัดจีนวัดจงเหยียนอบรมอยู่สี่วันวันสุดท้ายเนี่ยเขานิ่มุนพระไปอบรมเขานี่มุนพระพระส่วนใหญ่เปพระจีนเนาะแต่มีพระไทยจะมาอยู่รูปเดียวเขานี่มุนไปอบรมกรรมาฐานที่นั่นตอนนั้นภาษาอังกฤษยังงูป่าอยู่เลย บอกว่าออจมาภาษาจฤนไม่ดีไม่เป็นไรมีล่ามมั้งงั้นมีล่ามก็เลยไปตอนแรกก็ใช้ล่ามเอามามาภาษากฤษมันไปยังไ ง, ไ, งไปเลือกไปของมันทั้งหมดเลยถามสุดท้ายว่าอ้าวอัน q u a t i o n please ยกมือขึ้นเพียบทั้งเด็กประมาณสองอคนนะผมว่าจะตอบกันยังไงเนะี่ยเห็นไหมนี่ความกล้าแสดงออกของของเด็กนะแต่คนไทยเราขี้อายขี้อายนี่เป็นธรรมดาหรือไม่ธรรมดา เป็นธรรมดาขี้อายแต่ไม่อายเนี่ยกล้าสแสดงออกเรื่องธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นโยมจะเป็นคนธรรมดาหรือไม่ธรรมดาดีก็เลือกเอาก็เลิกกันนะฮะ